นฟังข้ารายการสันสนิษฐนนนะคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมเป็นการเริ่มต้นที่ดิฉันเชื่อว่าเหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเข้าถึงธรรมะของพระศ า, ศาสดาต่อไปอย่างที่ท่านพปบูลพูดเมื่อวานะนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นในยุค พ, พุทธกาลพระพุทธองค์เมื่อเห็นผู้ฟังอยู่ในอาการอันสนุกแล้วพระพุทธองค์ก็จะทรงเริ่มแสดงธรรม นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายนั่นเองบางคนอาจจะบอกโอ้จะทําได้ไงเนี่ยนอนคอร์สกระทะกำลังเอี่ยวซ้ายเอี่ยวขวาออกกําลังซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดำเนินชีวิตก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทําจิตให้สงบนะคะค่ะแล้วตอนนี้ถูกหรือผิดเราต้องไปถามจากพระอาจารย์เพริพน์พิทบุญนนท น, นะคะซึ่งจะมาพบกับเราในช่วงเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยภูตวจ น, นะค่ะทั้งส ก, การไหนท่านคะแมพอน ที่คุณยมติวพูดมาสครู่ถึงเรื่องท่านผู้ฟังรายการวิทยุใช่ไหมถ้าผมว่า<ฆ>ทําอิริยาบถอะไรต่างๆ ค, คือในสมัยก่อนที่พระพเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่มีรายการวิทยุไงก็เป็นการที่แค่ว่าทุกคนประชุมพร้อมหน้ากันแล้วก็ถ้าทุกคนนิ่งอยู่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยทีนี้ในสมัยนี้มันมีรายการวิทยุมันมีสื่อที่ว่าไปได้ไกลใช่ไหมที่เราใช้ท<ฆ>ีวีเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังแต่ว่าต่อหน้าคนที่แสดงเนี่ย แต่นคนที่แสดงเนี่ยในเครือข่ายของตาและหูของคนที่แสดงได้ที่รับรู้ได้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนสงบก็ก็โอเคแล้วนะคือในบางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็ปรากฏตัวไปปรากฏตัวนะแสดงธรรมต่อหน้าคนอื่นก็มีตั้งั้นที่คนนั้นเขาเขาไม่ได้อยู่ในเอริบ ท, ที่พร้อมจะฟังธรรมอย่างมีกรณีของนางวิสาขาที่ถวายทานในพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอยู่ นะมีมีถวายทานในสงฆ์นั่นแหละมีพระสาริบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเป็นประธานในการรับนะพระเจ้าก็ไปปรากฏตัวให้เห็นในที่นั้นนะโดยใช้ใช้ความสามารถพิเศษของพระองค์ในการไปก็มีเหมือนกันอืมค่ะนะคะในเป็นครั้งพุทธกาลปีนี้สอง0ันปีแล้วหลังจากที่เรามีพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าเป็นปีพุทธชยันตีท่านจะนาเรื่องใดมาเพื่อเป็นการเทิดทูน พระพุทธองค์ของเรา <ừ m. S 2> ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้คะใช่ท่านพานพุทธเจ้าพูดถึงสมณะในธรรมวินัยนี้พูดถึงสาวกของพระองค์กันคือสาวกของพระองค์เนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะพวกที่เก่งในการสวดก็มีนะพวกที่เก่งในการทรงจำํำธรรมะก็มีพุทธเจ้าเนี่ยมีมีลูกศิษย์อยู่หลายแบบลูกศิษย์หลายแบบเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกรณีที่ว่าเป็นเอตัทคะอะไรความเป็นเอกเป็นเลิศในด้านนั้นๆนันจะมีทั้งหมด80แบบทีเดียว แต่นี้เรากําลังพูดถึงภิกษุประเภทที่ว่าชอบสวดก็มีสวดมน์น่ยชอบเอาธรรมะมาสาธยายอะไรอย่างนี้ก็มี น, นี่แบบที่1 ห, หรืออีกแบบหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบอทรงจําธรรมะก็มีแบบใครควรเป็นพระหูสูตรนะรู้ละเอียดเลยในธรรมะแบบใดแบบหนึ่งนะหรืออีกคนหนึ่งเป็นคนชอบสอนนะชอบสอนคนอื่นชอบสอนอย่างนุ่นอย่างนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งก็เป็นการที่ชอบอชอบฟัง เป็นผู้ที่ชอบฟังใคร่ครวนตามฟังใรกล้ครวนตามนะพวกนี้เป็นเป็นประพาบอกว่าเป็นสาวกของพระองค์ที่ว่าเมื่อมีการใรกร่ครวนตามไปด้วยใจแล้วเนี่ยสมมติผู้ที่ชอบสวดเนี่ยเอาเอามวลมาสวดมาสวดเสร็จปุ๊บตัวเองนี้มีปีติมีสุขเกิดขึ้นนนะจิตตั้งมั่นทําให้เป็นบาดฐานของการเข้าสู่วิมุตได้ คนที่ฟังธรรมะนะฟังธรรมะไปฟังธรรมะไปจิตมีปีติสุขจิตตั้งมัน่นเข้าถึงวิมุตติได้คนที่ชอบสอนสอนไปใคร่ครวญตามไปด้วยจิตมีปีติสุขเป็นตั้งมัน่นนะเป็นบาตรฐานในการเข้าสู่วิมุตติได้อันนี้เป็นสาวกของพระองค์หมดเลยมีหลายประเภทแล้วแต่ที่คนที่ไม่ใช่สาวกของพระองค์นะก็มีคือคนอาจจะเป็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองหัวโลน้นโคนผมนะแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่มีศีลพพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่คนของพระองค์ ถึงแม้จะอยู่ในเครื่องแบบก็ตามเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่จะอยู่ในเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นะคืออย่างน้อยเธอต้องมีศีลตามตามรูปแบบของตนถ้าเป็นฆราวาสคุณก็มีศีลของฆราวาสใช่ไม้มถ้าเป็นพระก็มีศีลของพระนะอยู่ในรูปแบบของตัวเองเสร็จแล้วถ้าทายัางไงเดีนะ๋คุณจะเป็นคนชอบสวดมนต์ก็ได้คุณจะเป็นคนชอบฟังธรรมะก็ได้ถึงแม้ไม่ฟังธรรมะจะชอบสอนก็ได้นะจำทรงจําได้ใครค้ควรแม้บทหนึ่ง ก, ก็ได้เหมือนกัน ไม่รู้ทำได้ค่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดที่ท่านจะทลายเป็นทูชาชเป็นความรู้ให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธเจ้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะว่าท่านตัดสินสาวกของท่านอย่างไรทีนี้ในเมื่อท่านพิบูลได้พูดจําแนกเลยว่าถ้าสาวกที่เป็นนักบวชกระแบบหนึ่งสาวกที่เป็นฆราวาสไม่ถึงเรื่องศีลที่แตกต่างกันก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือว่าจะเป็น นักบวชจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามสภาพนั้นทีนี้หมายถึงคารวาสเนี่ยนะคะท่านะค ะ, ะถ้าจะพูดถึงสีลพอเราเข้าใจพูดเหมือกับต้องของสิ่งห้าใช่ทีนี้คนไทยเนี่ยบางที่เกิดมปุ๊บเข้าจดทะเบียนให้เลยนับถือศาสนาพุทธนะคะพิจารกระทะเบียนอย่างพ่อแม่เป็นพุทธลูกเป็นพุทธโดยอัตโนมัติใช่เอยังไม่ทันรักษาศีลเลยค่ะท่าอคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันอันนั้นจัดว่าเป็นหลักฐานทางทะเบียน <c oughs> คือการที่ตัวเองจะเป็นอุบาสกอุบาสิการหรือไม่แต่มันก็อยู่ที่ว่าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้การที่คุณจะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณเอาอะไรเป็นที่หมายนะคือว่าวาจาเน้นต้องลั่นด้วยวาจาหรือว่ายังไงนั่นะคือทุกอย่างมันมารวมที่ใจไง ถ, ถือให้มงคลไปอยู่หน้าพระประธานหรืออยู่หน้าพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็ลั่นว่าว่าจาว่ า, าพุทธังสะระนงังขจามิธรรมังสะระนงังขจามิชั ง, งคังสะระนังขจามิแต่ว่าพอพูดเสร็จแล้วออกจากวัดไปไปฆ่าไปลักไปขโมยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้คือถือว่าคุณก็ยังผิดศีลอยู่ครับบางทีใจมันคิดในขณะขจามิเกิดมาติดติดกันเลยนะคะคือคิดในเรื่องที่มันอกุศลมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมแม้กระทั่งกับตัวของเราเองเนะี่ยบางครั้งเลยโอ้ตายละใจมันไม่อยู่ละ สารนังคัจฉามิตรงนี้เลยซึ่งก็ต้องปรับกันใช่อันนี้คือเราเราจะต้องคอยดูแลคือด้วยอาการสักขแขว่าคุณพูดอาการศักแขแงว่าคุณมีชื่อในทะเบียนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนของพระเจ้านะอันนี้ต้องระวังนะคะนนเน้นๆเนียบางครั้งในเราก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธศาสนาแล้วก็มีความรู้สึกศรัทธามั่น<ม>คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับโลก<ม>ก็รู้สึกอยากจะเสนอแนวความคิดอยู่เรื่อยเลย ว่าเอาเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วปีพุทธศัยยันตีถึงแม้ว่าจะใกล้วิสาขะเป็นทีแล้วก็ตามนะคะมันก็จะไม่สายที่จะเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่ต้องเอาไปยืนงานในทะเบียนหรอกนะแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับอลั่นสัจจะวาจากับตนเองว่าจะเป็นสาวกอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้ขึ้นชื่อเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยการรักษาศี ใช่คือไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรก็แล้วแต่คือไม่ว่าคุณจะนับถือสมณะโคดมหรือไม่แต่แต่ว่าถ้าคุณรักษาศีลก็พอละแต่คุณรักษาศีลคุณนําจิตให้บริสุทธิ์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละเป็นอย่างน้อยเป็นคนดีของสังคมอะ่ะค่ะทีนี้มีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่ฉันเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะไปแก้ปัญหาให้กับท่านอื่นคล้ายๆกันได้หรือไม่นะคะเป็นคุณสุภาพสตรีชื่อคุณเพลินตา<อ> ส่งอีเมลไปหาท่านไพบูณ์ที่เพียวธมา dot com s l a s หนึ่งศูนหกนะคะ mm hmm. ะมากราบเรียนว่าในมส ก, กรรมครับอาจารย์วันนี้ฟังพอาจารย์พูดเรื่องสติโยม mm hmm. เห็นด้วยเลยเพราะเมื่อวานนี้เองโยมมีความทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรเลยปลีกตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวแล้วนั่งดูลมหายใจทำไปสักพักเกิดคิดได้เองว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นมิได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง พอเปลี่ยนไปอยู่กับใครเขาก็ยึดว่าเป็นของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราจะไปยึดเอามาเป็นของเราอยู่ทาไมพอคิดได้ก็เดินโล่งเลยพ้นทุกข์ไปพ้นไปเห็นเห็นเลยแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเท่านั้นแค่นี้เองอืมเขาถามไหมคุณโยมติว<อ>่าค่ะคือคือแค่ว่าเราเห็นทุกข์ใช่ไมเห็นทุกข์คือความ เรามีความทุกข์ใจมากเราเห็นทุกข์ละแล้วเราเห็นความจริงของทุกนั้น <holes> คือเราเห็นความจริงของทุกนั้นที่ว่าเอ๊ะความทุกนี้ไม่เที่ยงอันนี้คือความจริงนะแต่ถ้าเรามีความอยากว่าโอ้ยอยากที่จะให้ทุกนี้หมดไปคือความอยากที่จะไม่มีนั่นคือวิภาวะตนานะคุณยังไงคุณความทุกคุณจะหมดไปไม่ได้ยิ่งคุณอยากมากเท่าไหร่ที่จะให้ความทุกนี้หมดไปนะคุณจะยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเป็นเท่าทบีคูณค่ะ เพราะว่าเราเข้าใจเรื่องความทุกข์ยังไม่ถูกถ้าเราเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นของวกวนกําหนดรู้อย่างที่คุณเปลนตาทำกําหนดรู้ว่าเออมันไม่เที่ยงอันนี้คุณจะแล้วคุณปล่อยวางได้นี่คือการวางของหนักนะมันจะรู้สึกว่างโล่งเบาไปและทีะเ่เราต้องวนประกอบตรงนี้คุณโยมติว๋วว่าเขาไปอยู่ที่เงียบๆคนเดียวใช่ไหมอันนี้คือการที่เราหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวนะจะทําให้เรามาใไขครวนพิจารณาเห็นความจริงได้นะผู้ที่หลีกเล่นแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริง น, นี่ผู้ช า, าบอกไว้ อ, อย่งน้เข้าใจว่าคุณเพลินตายต้องผ่านประสบการณ์ในการศึกษาการปฏิบัติถูกไมคะก็เลยทาให้เมื่อมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เลือกหาวิธีที่เคยได้เรียนรู้มาในการที่จะออกจากปัญหานั้นใช่แล้วก็ได้ดูลมหายใจแล้วก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เรียกเกิดปัญญาไหมคะ่านคะถูกต้องเกิดปัญญาแล้วคุณจะปล่อยวางได้ บางคนอาจจะบอกมันไม่น่าเกี่ยวกันเลยนะเนี่ยอืม hmm. ทำไมมันทุกอย่างนี้แล้วไปสังเกตลมหายใจอย่างเดียวปัญญามันจะเกิดได้ยังไงนั่นแหะสีน้อค่ะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยขออนุญาตสมมุติคําถามเลยนะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> พอฟังพอฟังคําถามของคุณเพลินตาซึ่งคุณเพลินตาไม่ได้พูดว่าตัวคําถามคืออะไรตัว ป, ปัญหาคืออะไรแต่ hmm. พูดถึงเมื่อแก้ปัญหาแล้วมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นเนี่ยแต่ดิฉันจะสมมุติว่ามันเป็นเรื่องพื้นๆทั่วๆไป ค น, นะคะรอบๆตัวของดิฉันเนี่ยก็ยังเป็นกันอยู่ก็เช่นสมมตินะคะเป็นเรื่องความรักสามเศรืาเห็น <He en S 2> แล้วดิฉันก็มีความทุกข์บางทีเรารู้จักทุกเศร้าเลยนะคะ <laughs> แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นคนดีๆทั้งนั้นเป็นคนน่ารักทั้งนั้นเป็นคนน่าเห็นใจมากทุกคนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้แล้วท่านทั้งหลายเหล่อเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็จะบอกตัดใจพยายามที่จะไม่ติดต่อ อ่าพอรู้ว่าไปทำให้คนอื่นเขามีความทุกข์ อ, อันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบแบบโลกโลก่คะอะ่แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าวิธีคิดวิธีทำแบบเนี้ยมันเป็นธรรมะอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ต้องเปลี่ยนมาใช้แบบคนเทินตาเอ่อคือด้วยกาบกระยยาแห่งการติดต่อหรือไม่ติดต่อเนี่ยเราเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าคุณยังมีความลุ่มหลงมัวเมาในบุคคล น, นั้นหรือไม่นะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเรื่องจิตยอย่างเดียวที่ว่าสิ่งของบุคคลผู้นั้นคุณจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ได้หรอกแต่ถ้าบอกว่าคุณคลายความกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มหลงยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยอันนี้มาถูกทางละคือบางคนไม่ได้ติดต่อกันก็จริงแต่คิดถึงเขาทุกลมหายใจจะพลิกจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนแล้วก็คิดถึงเขาคุณยิ่งมีความทุกข์หนักด้วยซ้ำต้องทำไงให้ไม่คิดถึงมันก็ได้เอาก็คลายความกำหนัดเพลิดเพลิน ล, ลุ่มหลงยินดีในสิ่งนั้นไง ด้วยวิธีอย่างไรคะเด้วยเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งที่เรากำหนดเพลิดเพลินลุ่มร่ำยินดีนั้นคืออะไรว่ามันไม่เที่ยงจะเห็นได้ย่งไรเห็นได้คุณต้องจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วคุณจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงจะทำสมาธิจะทำไม่เกิดขึ้นได้อย่างไงจิตคุณต้องมีความสุขก่อนจะทำให้จิตมีความสุขได้ไงคุณจะต้องไม่คัวพันในกามอย่างน้อยคุณจะต้องมีศีล มีศีลอยู่ในระดับที่ว่าจิตเราเป็นสมาธิได้จิตเราเป็นสมาธิได้เราเห็นตามที่เป็นจริงหรือพบางที่เราไปหลีกเรนใคล่ครวญอยู่คนเดียวอย่างคนหญคุณเพลินตาอย่างเงี้ยออกมาปลีกอยู่ผู้เดียวสังเกตลมหายใจนะคือวิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือว่าแค่ดูลมหายใจเท่านั้นเองพอจิตเรามันเริ่มทุกข์แล้วมีความทุกข์คิดถึงเขาขึ้นมาละปุ๊บเข้าลมหายใจเลยนะให้จิตของเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดอยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวนะมันจะค่อยๆเบาไปได้จางกลายไปได้ดับไปได้ค คนที่ไม่เคยทําเนี่ยก็าอาจจะยังไม่อยากจะเชื่อมันคิดเป็นไม่ถึงนะ น, นะคะว่าเอ๊ะการที่จดจออยู่กับลมหายใจแล้วจะช่วยให้มันเลิกคิดเรื่องอื่นได้ยังไงมันก็น่าจะช่วยได้แค่ไอตอนที่เไปสนใจอยู่แต่เรื่องลมหายใจเท่านั้นอืพอเลิกที่จะพิจารณาลมหายใจมันก็กลับไปอีรอบเดิมอีกอแต่อันเนี้ยเรนกํากลังจะบอกว่า ก็มีประสบการณ์กับตัวเองเหมือนกันนะคะอาาว่าเป็นมหาสัจจรนท์แห่งจิตอืที่ว่าบางครั้งเรามีความคิดไม่ไปไม่ยอมจากไปจากตรงที่คิดแล้วไม่สบายใจแต่พอทําสมาธิทุกวันทุกวันเรื่องพวกนี้มันจางได้จริงๆจริจรมคือกระบวนการมันเป็นอย่างนี้มาจะอธิบายสั้นๆันให้ฟังอันนี้ดิฉันยืนยันกระบวนการเป็นอย่างนี้คือเมื่อเรามีมีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยมีเครื่องระลึกถึงคือมีสติ พอมีสติแล้วจิตของเราจะมีกําลังมีกําลังเนี่ยคือสมาธินั่นเองพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยวางได้ตรงนี้นะี่คือสิ่งที่สําคัญคือทํายังไงให้จิตของเรามีกําลังมีกําลังเราก็ต้องฝึกให้จิตมีสติฝึกให้จิตมีสติแล้วพอจิตเรามีกําลังเราจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจรงิงปล่อยวางได้อันไหนปล่อยวางได้ปล่อยอันไหนรู้ตามที่เป็นจริงได้รู้อย่างนี้เป็นลําดับขั้นของเขา เราต้องใช้สติในลมหายใจเท่านั้นเองคืออะไรอะไรก็เข้าหาลมหายใจอ ะ, อะไรก็เข้าหาลมหายใจถึงจะถูกนั้นอยากจะให้ท่านช่วยทิ้งท้ายด้วยการที่ทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมื อ, อมในการออกจากความทุกข์ได้เป็นในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่นี้ค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอนั้นเป็นผู้มีอน า, นาปานสติเนี่ยเป็นวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนเรามีบ้าน เรามีบ้านเป็นที่อยู่คุณไปไหนมาไหนก็ตามไม่เป็นไรคุณกลับมาบ้านคุณไปเที่ยวต่างประเทศคุณไปเที่ยวต่างสังหวัดเดี๋ยวคุณก็กลับบ้านเช่นเดียวกันคุณไปคิดนั่นคิดนู้นคิดนี่ทุกสุขบ้างทุกบ้าไม่เป็นไรคุณกลับมาหาลมหายใจให้ลมหายใจเป็นบ้านของคุณเพราะคุณมีลมหายใจเป็นบ้านแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆมีอะไรสุขทุกแค่ไหนเราก็กลับมาบ้านเราก็ยังมีความสุขอยู่นะให้ให้อยู่ตรงนี้เรื่อยๆเราจะทําให้จิตของเรานั้นมีกําลังในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมใช่ คือเป็นบ้านอย่างที่ท่านพูดแต่ถ้าเป็นผู้ทวัจนะก็คือวิหารธรรมถูกต้องคะะจะเป็นบ้านของทุกท่านที่อยู่แล้วมีความสุขวันนี้ก็คิดว่าได้หัวใจของคำสอนของพระศาสดาไปเลยนะคะเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านภิบูณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเกรนมาตรกค่ะเกริน่าค่ะที่วัดป่าดอนหายโศกเดือนนี้จะมีหลักสูตรเีกเรนอยู่สองครั้ง ด้วยกันไหคะแต่มันจะคร่อมคอมกันเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมและในระหว่างนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการิเลรนอยู่ท่านเพียบุญก็ยังมาจัดรายการให้เรารายการสันสนิสนทนาค่ะดำเนินรายการโดยที่ันสัร น, นิษฐานาพงนะคะทางสถานีวิทยุนิ์ครอบครัวข่าวสทร1อ6ค่ะเราติดตามรับฟังได้เป็นประจา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งสำหรับคนที่ตื่นเป็นประจําเขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามันเช้ามากแต่สําหรับบางท่านที่อาจจะไม่เคยตื่นเลยแล้วเพิ่งตื่นมาฟังนะคะอาจจะยังคิดว่ามันยังเช้ามากอยู่ทาเป็นประจําเป็นประจําก็จะคุ้นเคย เ, เองเพราว่าการตื่นเช้ามาปฏิบัติทางเนี่ยที้ฉันได้ยินจากทรานเบบูล น, นะทว่าจะทําให้เราได้ผลในการปฏิบัติอย่างสูง อย่างสูงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปถามวันอื่นเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะใครจะขอหนังสือมาก็ยังของได้ที่0 2 2 6 9 0 0งวันนี้เราลากันไปก่อนอุทวัตสวัสดีค่ะ